บทที่133ขณะนั้นเองคณะนายจ้างและพวกลูกหาบทุกคนก็เดินแหวกพงตามเข้ามาถึงอย่างที่ซึ่งคนทั้งสองยืนพูดกันอยู่แล้วหลักฐานการก่อไฟโดยฝีมือของมนุษย์ตลอดจนโครงกระดูกสัตว์ที่ทิ้งเกลือนอยู่กับพื้นบริเวณ น, นั้นก็ปรากฏชัดกับสายตาเกินกว่าที่จะต้องอธิบายอะไรกันมากพวกพรานพื้นเมืองอุทานเร พากันแยกย้ายเข้าไปตรวจดูท่อนฟืนเก่าๆและซากโครงกระดูกนั่นโดยเร็วเสียงจันรรองบอกมาว่ากะโหลกคล้ายตัวสมเสร็จครับแต่ใหญ่เหลือเกินเกือบเท่าแรกทีเดียวละนายมาเรียกชายันปราดเข้าไปคุยกองฟืนหยิบขึ้นมาพิจารณาคุณคิดยังไงเม่แมม่สาวผิวปากมาเบาๆไม่ตอบชายันแต่เงยขึ้นพูดกระดารินผู้มีใบหน้าแดงซ่านด้วยความปิติ าวดีเป็นขาวแน่ชัดใช่ด้วยสิน้อยพี่ชายของเธอกับพรานนำทางนะ่ยยังไม่ตายอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ตายในขณะที่เดินลุยน้ำตอนนั้นอย่างที่เราสงสัยดุนฟื้นที่เห็นอยู่นี่อายุของมัน ใ, นใกล้เคียงกับระยะเวลาที่พี่ชายของเธอเดินผ่านมาเมื่อประกอบกับหลักฐานจากโครงกระดูก ข, ของสัตว์และปลอกกระสุนทั้งสองปลอกก็ QED ได้เลยเฉษฐาวราธิ์เองก็มีสีหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถึงกับยิ้มออกมาได้ตาเป็นประกายก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าแง่ทรายและระพินชัดไปใช่ไหมผู้กองครับชัดมากแง่ทรายคุยพบกองไฟและกองกระดูกสัตว์นี่ก่อนแล้วเหรอเปลา่านายใหญ่แง่ทรายตอบออมเสียงผมเพียงแต่พบปลอกกระสุนตรงโน้นเท่านั้นเองยังไม่มีเวลาที่จะเดินตรวจบริเวณในขณะนั้นได้ผู้กองสิครับสงสัย เลยชวนผมเดินตรวจแล้วเราก็พบหลักฐานที่แน่ชัดอีกยิ่งขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นี่เราจะสันนิษฐานจากหลักฐานที่เห็นกันอยู่นี้ยังไงเดียท่านหัวหน้าคณะกล่าวต่อมาอย่างปราโมทสองคนนั่นเดินมาถึงปลายฝั่งด้านโน้ทนทันทีอนุชาก็คงจะเหลือบเห็นสมเสร็จตัวนี้เข้าก็ยิงออกมานัดหนึ่งคือปลอกกระสุนที่ระพินเก็บได้ครั้งแรก นัดเดียวที่อนุชา ย, ยิงมานะ่ะอาจจะทำให้ไม่อยู่คาที่ทั้งสองคนจึงชวนกันเดินลุยน้ำข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ช่วยกันยิงอีกคนละนัดคือปลอกกระสุนอีกสองปลอกที่แง่า ย, ายพบแล้วก็เลยมาก่อไฟ ย, ย่างกินกันอยู่ที่นี่อย่างนั้นใช่ไหมจอมพรานก้มศีรษะลงตามเหตุผลข้อขาดคะเนของเฉฐาก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณชายคาดนั่นแหละครับสังเกตจากรูปการ การใช้ปืนคงไม่ได้เกิดเหตุการฉุกเฉินเพื่อป้องกันชีวิตอย่างใดทั้งสิน้นนอกจากเพื่อแสวงหาอาหารซึ่งขณะนั้นคนทั้งสองอาจจะอยู่ในภาวะหิวโหวยถ้าเกิดจากภัยร้ายแรงฉุกเฉินก็คงไม่ใจเย็นจนถึงกับมาก่อไฟย่างกินตรงนี้ได้เพราะภายหลังจากยิงแล้วก็คงจะต้องรีบผ่านไปซะโดยเร็วแล้วก็ก็หันมาทางหม่อมราชวงศ์ดารินซึ่งบัด น, นี้ความรู้สึก อันเศ้าโสกผันแปรไปหมดสิ้นแล้วสามารถยิ้มแจ่มใสออกมาได้ทั้งคราบน้ำตาสบายใจได้แล้วครับคุณหญิงคุณชายอนุชาและนานอินยังมีชีวิตอยู่จริงตามที่แง่ทรายว่าและโปรดยินดีซะเถอะครับว่าบุคคลทั้งสองเป็นนักผจญภัยที่สามารถเยี่ยมยอดที่สุดสามารถเอาชีวิตรอดมาได้จนกระทั่งถึงดินแดนนี้ฉันดีใจระพิน หล่นกล่าวออกหล่นกล่าวออกมาจากใจจริงดวงตาเป็นประกายแจ่มจรัสจับไปที่แง่ายแล้วกราดเข้าไปจับท่อนแขนอันเต็มบริพะกําลังนั้นบีบแน่นแล้วก็ต้องขอขอบใจแง่ายเป็นอย่างมากนะที่สามารถพิสูจน์ความจริงนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนสิ้นสงสัยที่สุดเจ้าคนลึกลับไม่ตอบคําใดนายหญิงหรืแสดงปฏิกิริยาอย่างใดต่อสายตาอันชื่นชมพอใจของคณะนายจ้างทุกคน ที่แลจับมาเป็นตาเดียวเพียงแต่ยืนถือวางหน้าตายในสภาพคนดงตามบุคลิกปกติของมันต่อมาก็เดินปรีตัวย้อนกลับไปยังริมฝั่งที่เก่าอย่างเงียบๆเบสียงตาเท่าบุญคำร้องออกมายังคุณคุณว่าอย่าไปขอบใจหลงสังเกเสริญอะไรมาลละนายหญิงไอ้เปรตนั่นหละเลียมจัดนักมันรู้มาก่อนแล้วว่านายชดกนานอินน่ยังไม่ตาย แต่แกล้งเฉยซะปล่อยให้พรานใหญ่ลงไปเหยียบเห็ดอปรีนั่นจนถูกมันรัดเอาเกือบตายถ้ามันบอกซะแต่แรกพรานใหญ่ก็คงไม่ถึงกับตายและพวกเราก็จะไม่เสียเวลาฉุดเห็ดนั่นขึ้นมาให้เหนื่อยแรงคณะนายจ้างทุกคนกำลังอยู่ในอารมณ์ดีเพราะรู้ว่าบุคคลที่ติดตามนั้นยังมีชีวิตอยู่อันเป็นความหวังที่แช่มชื่นขึ้นทาให้ไม่มีใครถือสาคำพูดของตาเท่าบุญคำ น, นอกจากเห็นเป็นเรื่องขบขัน ดารินหัวเราหันมารองบอกว่าก็พรานใหญ่ของบุญคำอยากไม่รอบคอบเองทำไมเล่าถึงบุญคำก็เหมือนกันเลยทำไมถึงไม่ค้นพบหลักฐานเหล่านี้และบอกให้พวกเรารู้ซะ ก, ก่อนบุญคำก็เป็นพรานใหญ่มีฝีมือเหมือนกันไม่ใช่หรอือผลสุดท้ายช่วยอะไรเจ้านายของบุญคำเองไม่ได้เลยต้องให้แงาสายช่วยแล้ว จ, จะไปว่าเขาอีกโธนายหญิงก็ไอเงซ้า ย, ายนะ่ะมานั่งทางใน ยังรู้เรื่องปาดงพงไพรไปทุกซอกทุกเหวทุกหุบบุญคำน่ะไม่ได้เรียนอย่างมันนี่ลองไอ้ผีข้าวมันมั่งสิดูสิว่าไอ้คำกับไอ้แงซ้ายนะ่ะใครจะแน่กว่าใครตาเท่าเถียงข้างๆคู ค, คูไปตามประษาของแก่แต่ไม่กล้าพูดดังนักมาริอฮอฟมันยืนขึ้นหลอนพอยินดีไปกับดารินและทุกคนด้วยเอาละไวันเดี๋ยวนี้เราก็รู้กันแน่ชัดแล้ว ว่ากระโหลกทั้งสองหัวที่แวะพบในกระเพาะของเห็ดมหาการนัน้ไม่ใช่คนสาบศูนย์สองคนที่เรากําลังตามตัวเขาก็แล้วความจริงคนเคราะร้ายสองคนนั้นเป็นใครเข้ามาพบกับมรณกรรสยองเขา้าในระยะเวลาไล่เลี่ยกับที่คนของเราผ่านมาซะด้วยคําพูดเช่นนั้นของมาเรียทาให้ทุกคนพากันย้อนกลับมายังชายฝั่งโรงที่วางกองสัมภาระและหัวกะโหลกทั้งสองหัวอีกครั้ง เห็นแงซายนั่งพักรอเหมือนจะไม่สนใจกับอะไรอีกอยู่ก่อนแล้วชยันก้มลงใช้มีดโบวี้เขี่ยกะโหลกทั้งคู่ตรวจดูอีกครั้งแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็มีอาการเหมือนจะหัวนึกถึงเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาได้หัวรอกากออกมาปล่อยทุกคนหน้าตื่นสงสัยคำอะไรเหรอชัยยันมาเรียถามขึ้น ก็ขำความปราดเปลืองรอบรู้ของนักมนุษยวิทยาของเราน่ะสิดารินตาลุกจ้องน่ะทำไมมาขำอะไรฉันขำที่ฉันไม่สามารถพิสูจน์ออกมาได้ว่าเป็นหัวกระโหลกของใครแท้จริงน่ะเหรอเปล่าไม่ใช่ก่อนนั้นหรอกจําได้ไหมสมัยที่เราพบครงกระดูกของคณะสำรวจเจนแคลเ ม, มอร์ก่อนจะเข้านิทรานครทำไมฉันไม่เข้าใจอ้าว ก็นักมนุษย์วิทยานะสามารถบอกได้อย่างปโปร่ปรงหมดนะสิสูงเท่าไหรไวขนาดไหนเชื้อชาติเผ่าพันธ์อะไรแต่พอตาพรานนาทางของเราถามว่าชื่ออะไรเท่านั้นนักมนุษย์วิทยาก็ตุบปัดตุบ ป, ปองเป็นการใหญ่เปล่าจบชา ย, ยันก็หัวเราะออกมาอีกครั้งพลอยทําให้คนอื่นๆต้องหัวเราะออกมาด้วยความขบขันไปด้วยเมื่อย้อนนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นแม้แต่เจ้าตัวมนุษย์ เจ้าตัวนักมานุษยวิทยาเองซึ่งบัดนี้ครึ่งหัวเราะครึ่งบึง้งตวัดสายตาไปที่รพิน์บากก็มีจางเหรถามโงโ ง, ง่มาได้ฉัจนจะไปตัดสรูได้อย่างไรง ว, ว่าชื่ออะไรหวังว่าคราวนี้คงไม่ถามอีกนะถ้าถามเป็นโดนหลังมือแนะ่ครับคราวก่อนนี้ผมโ ง, ง่มากคราวนี้ไม่ถามนะครับพรานใหญ่พูดหน้าตาเฉยไม่ใช่โ ง, ง, ง่หรอก เกตนาจะถามเพื่อรวนกันใชมากกว่าไอกระบวนยวนยั่วยั่วโทษะัพทกัละที่หนึ่งทีเดียวสมัยก่อนเนี่ยแล้วกลับไปว่าแงซายโยยังไม่พรานระพินน่ะต้องเจอคู่ปรับอย่างแงซายนะถึงจะเหมาะสมสมนำหน้าที่ไอเสือนังแต่งต่อให้สำลักน้ำเสียตาตั้งเมื่อตะกี้เนี่ยแงซสายน่ะทำถูกแล้วน่าให้รางวัลระพินไทยวันกระเดือกน้ำลายลงคอฝึดฝุ แม่ดอกฟ้าของเขาชะเขาให้เสร็จแล้วซึ่งซึ่งน้าดีหน่อยที่พูดด้วยใบหน้ายิ้มระรื่นไม่ได้มีความจริงจังอะไรในน้ําเสียงนอกจากพูดเล่นแต่ถึงเช่นนั้นก็ทําเอาไม่สบายใจพี่ลึกไม่รู้จะโต้ตอบได้ยังไงนอกจากยืนเฉยเหมือนจะไม่สนใจอะไรพวกนี้น่ะเป็นยังไงนะพอผ่านพ้นปัญหาหนักมาได้ยุกจ ก, กก็แย่กันอีกแล้ะไม่รู้จักโตกันสักทีหรื อ, อยังไง นี่นี่นี่มาช่วยกันคิดดีกว่าว่าสองคนคราลายนี่น่ะเป็นใครไปยังไงมายังไงระยะเวลาที่เขามาเสียชีวิตลงมันเป็นเวลาไล่เลี่ยใกล่เคียงกับการผ่านมาของอนุชากนานอินซะด้วยสิมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนของเราบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะเชื้าพูดขึ้นเป็นงานเป็นการแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะชายันสงสัยคําพูดของสหายจะเป็นไปได้ไหม ระหว่างการเดินทางในช่วงหลังนี่บังเอิญอนุชากนันอินมาพบนักเดินป่าเขาอีกสองคนยิงชวนกันร่วมทางมาด้วยแต่บังเอิญสองคนนั่นนะเคราะร้ายถูกเห็ดมรึกตยูสูบเอาตัวลงไปแล้วก็ตายอยู่ในนั้นส่วนอนุชากนันอินหลุดรอดพ้นไปได้ภายหลังจากนิ่งคิดอยู่ครู่มาเรียก็แย้งขึ้นว่าไม่น่าจะเป็นไปในทำนองนั้นนะคะพี่ใหญ่ ถ้าสมมตวิว่าร่วมทางกันสี่คนอ่ะโดยบังเอิญไปพบกันที่ไหนก็ตามระหว่างข้ามน้ําตอนนี้อีกสองคนเคราะไรถูกเห็ดดูดลงไปสองคนที่เหลือจะนิ่งดูได้โดยไม่ให้การช่วยเหลือได้ยังไงและถ้าสมมุติว่าเหลือความสามารถที่จะช่วยเหลือได้สองคนที่เหลือก็ไม่น่าจะใจเย็นจนถึงกับยิงสัตว์ย่างกินและพักแรมอยู่ตรงบริเวณที่พวกเขาเสียชีวิตอย่างสยดสยองไปต่อหน้าต่อตาได้หรอ ฉันคิดว่าสองคนสองคนสองฝ่ายผ่านบริเวณนี้มาโดยไม่ได้ร่วมทางหรือรู้กันมาก่อนเลยอาจจะก่อนหรือหลังกันเพียงเล็กน้อยซึ่งเราไม่สามารถจะหากำหนดเวลาได้แน่นอนว่าห่างกันเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนก็คือคู่ของนายชดกับนันอินน่ะผ่านพ้นไปได้โดยปลอดภัยแต่คู่ของคนลึกลับที่เรายังไม่อาจพิสูจน์ได้นี่เคราะร้ายสีชีวิตลก อืมก็คงจะเป็นอย่างที่เมว่าใช่มากกว่าแล้วนะชายันสนับสนุนมาอีกคนหนึ่งในแนวทางสันนิษฐานของแหม่มสาวคุณไม่คิดบ้างเหรอดาพินสองคนที่ตายนี่นะเขาอาจเป็นคนที่คุณเคยพบเห็นมาก่อนก็ได้ในที่สุดดารินก็เอ่ยขึ้นไมายความว่ายังไงครับคุณหญิงก็กลุ่มของพวกเจ้าของลายแทงที่เราใช้นำทางอยู่ในขณะนี้ไง ฉันหมายถึงเนวินและคณะของเขาซึ่งคุณพบเห็นพวกเขาที่ห้วยเสือร้องแล้วต่อมาเนวินก็สมสารกลับมาตายในความดูแลของคุณตามที่คุณเคยเล่าให้ฟังในตอนแรกยังไงละ่ะอาจเป็นพวกเขาก็ได้นะจอมทานครุ่นคิดแล้วสายศีสษะชาะ้าๆมันเกี่ยวกับระยะเวลาด้วยนะครับคุณหญิงเพราะคุณหญิงก็ลงความเห็นตามหลักวิชาที่ชนานาญแล้วนะครับว่าอวกกะโหลกของคนคู่นี้ เป็นกระโหลกที่ตายมาแล้วเพียงประมาณสองสามปีเป็นอย่างสูงแต่ผมพบเนวินกับคณะของเขาเมื่อห้าปีกว่ามาแล้วอีกอย่างหนึง่งระยะทางจากที่นี่ไปถึงห้วยเสือร้องที่ผมได้พบเขากลับมาตายมันก็คานกันอยู่ระยะเวลาเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นที่ผมเห็นเนวินกับพวกบุกหายเข้าไปในนรกดำหลังจากนั้นเขาก็ตะเกดตะกายกลับมาเพียงคนเดียวเวลาเพียงแค่เจ็ดวัน คณะของเนวินไม่มีทางที่จะบุกมาถึงที่นี่ได้อย่างเก่งที่สุดก็คงวงเวียนอยู่แค่ขอบของนรกดำเท่านั้นแหละครับต่างเห็นด้วยกับเหตุผลของเขาถ้าเช่นนั้นคนคู่นี้ควรเป็นใครทุกคนดูจะพ้นความคิดแต่อย่างน้อยก็ตรหนักได้ว่ายังมีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งเดินทางด้านเดินมาในทิศทางเดียวกับชดประชากรและพรานนาทางของเขาระยะเวลาไม่ห่างกันเกินไปนัก แต่ได้เสียชีวิตลงซะก่อนและคงไม่มีปัญหาขุ้มเพชรแห่งพระอุมาแน่นอนที่เป็นสื่อล่อใจของคนเหล่านั้นให้ต้องตะเกียกตะกายส้มสานกันมาและในที่สุดก็เอาชีวิตมาทิ้งซะอย่างเช่นที่ได้เคยปรากฏมาทุกยุคทุกสมัยนับเนื่องแล้วนี่เป็นหลักฐานชิ้นที่สองซึ่งคณะเดินทางมาหาวิบากคนพบวี่แววของผู้เสี่ยงโชค บนเส้นทางสายนี้ภายหลังจากการพบกองกระดูกของคณะเจนแคลเมอร์มาแล้วนะับปากทางเข้านิทรานครถ้างั้นก็ป่วยการจะมาเสียเวลาคิดท่านหัวหน้าคณะตัดสินจากบุคลิกอันรวดเร็วฉับไวของเขาก็คงพวกนักแสวงโชคอย่างเดียวกับเคมเมอร์เนวินอนุชาและคนอื่นๆนั่นแหละทิ้งเขาไว้ที่นี่แหละทิ้งยังไง เราก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรให้เขาได้ดีไปกว่านี้ไทวันรีบออกไปจากที่นี่ซะโดยเร็วเถอะเราเสียเวลามากมากันพอสมควรแล้วกับสิ่งที่ไม่ควรเสียอย่าลืมด้วยนะว่าก่อนข้าวันนี้และนึกถึงเจ้าพวกเทโรเด็กที่ลอยประเภทสูบเลือดไปด้วยรพินสั่งเก็บของในทันทีนั้นชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาทั้งคณะก็พละออก จากบริเวณนั้นรุดหน้าต่อไปโดยเร็วสันดอนดินฝั่งนี้เป็นแนวยาวเหยียดติดต่อกันเป็นพืชในระหว่างพันไม้ที่ขึ้นตามป่าชายเลนไปจนกระทั่งเชื่อมติดกับบริเวณต้นญาตามที่ส่องกล้องกำหนดหมายกันไว้ก่อนแล้วไม่มีบริเวณใดที่จะต้องลุยน้ำไปเลยนอกจากทางที่ผ่านมาแล้วเว้นแต่บริเวณน้าแฉเพียงไม่เกินข้อเท้า มีสลับอยู่อีกสองสามช่วงเท่านั้นพอพ้นดงในเขตลุ่มต่ำชายทะเลสาบออกมาได้ทุกคนก็โล่งอกไปตามตามกันขณะนั้นตะวันเริ่มบ่ายคลอยรบพินทำสัญญาณให้พวกลูกหาบที่ล่วงหน้าบุกปากกกออกไปก่อนปัดขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งเข้าหาเนินเขาเตเปียที่แลเห็นอยู่เบื้องหน้าและร้องเร่งให้ทาเวลากันอย่างเต็มที่เพราะทางเดินเริ่มจะสะดวก โปร่งโล่งเมื่อล่วงเข้าสู่ทุ่งหญ้าแต่กระบัดสลับกับป่ายืนต้นเล็กๆที่เรียงรายกันอยู่ในระยะห่างๆแงใสกับขยินนำรุดไปเป็นคู่หาแรกโดยทิ้งให้ฝ่ายนายจ้างรวมกลุ่มกันมาเป็นหมู่เบื้องหลังความโล่งของบริเวณทำให้สามารถสังเกตอะไรต่อมิอะไรโดยรอบทิศระยะห่างโดยไม่ต้องระแวงกังวลมากนักช่วยให้เคลื่อนกันไปได้อย่างสบายใจพอสมควร พะห่างชายดงออกมาได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรพรานใหญ่ก็เร่งฝีเท้าขึ้นมาเดินเคียงแงซายโดยทิ้งให้คณะนายจ้างของเขารวมกลุ่มอยู่เบื้องหลังนี่แกรู้จักนันอินมานานสักเท่าไหร่แล้วสีห้าปีมาแล้วล่ะครับตั้งแต่ครั้งที่ผมยังเป็นทหารกองโจกรกะเหรี่ยงรู้จักได้ยังไงลองเล่าไปให้ละเอียดสิก็ระหว่างะเวนป่า กอกวนกองทหารพม่ า, มาใกล้เขตแดนไทยนะครับหน่วยลาดตระเวนของผมน่ยจับชายชาวป่าลักษณะเป็นพรานพเนจรได้คนหนึ่งบุกโดดเดี่ยวหาสัตว์ล่วงล้ำเข้ามาในเขตปฏิบัติการของเราโดยสงสัยว่าจะเป็นหน่วยสอดแนมของศัตรูชายคนนั้นถูกนําตัวมาให้ผมสอบสวนภายหลังจากการสอบสวนโดยรอบคอบแล้วผมมองไม่เห็นท่าทีเลยว่าแกจะเกี่ยวข้องยังไงกับกองทหารพม่ า, รมาหรือฝ่ายตํารวจระเวนชายแดนไทย ยิงช่วยให้แกรอดตายโดยสั่งปล่อยตัวไปเราก็รู้จักกันตั้งแต่ครั้งนั้นแหละครับแล้วยังไงต่อไปอะพิเศษหลังจากนั้นนะครับผมก็หนีจากกองโจรกะเหรี่ยงอย่างที่เรียนผู้กองแล้วเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆ ก, กลางป่าเขตรับกะยาตอนนั้นอนานันต์อินกําลังตามแร้ ต, ตัวหนึ่งส่วนผมตามเสือดาวตัวที่ขับเอาลูกสาวในบ้านไปเมื่ออาทิตย์ก่อน ร่วมทางกันโดยมีสัญญาว่านานอินจะตามเสือดาวกับผมก่อนเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยผมก็จะช่วยตามแร่ตัวนั้นแล้วก็บังเอิญเกิดอุปัรรทวเหตุอย่างที่เล่าให้ฟังสักก่อนนะครับแล้วแกก็เลยพาหนาันอินมาถอนฟันครับแล้วหลังจากนั้น่ะเราก็เที่ยวปลาด้วยกันอีกสองสามครั้งครับหางามาขายแบ่งกันต่อมาผมก็ไปเป็นกรรมกรเหมือง เราไม่ได้พบกันอีกตั้งแต่นั้นมาได้ข่าวครั้งสุดท้ายว่านันอินได้เจ้านายคนหนึ่งชื่อนายชดประชากรแล้วก็คบคิดกันออกเดินทางมุ่งเทือกเขาพระศิวะผมจึงออกติดตามไปหวังจะตามให้ทันเพื่อขอร่วมทางไปด้วยแต่ก็ตามไม่ทันอย่างที่ผู้กองทราบแล้วนะครับระพินเม้มริมฝีปากพยักหน้าช้าๆนันอินเป็นคนลักษณะรูปร่างยังไงงสายยิ้ม ผอมบางมีแผลเป็นจากรอยเล็บหมีพ้าดจากหน้าผากเนือคิ้วซ้ายดั่งจมูกเป็นทางลงมาถึงหนกแก้มพกบ้องกัญชาติดจ่ามอยู่ตลอดเวลาเหมือนสางตาครับไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องเคลือบแคลงอีกต่อไปนั่นคือบุคลิกอันถูกต้องของพรานใหญ่หนานอินที่เขารู้จักมันตรงกันทุกอย่างไม่น่าเลยนะแงาใสไม่น่าที่แกจะเก็บเงียบเฉยมาจนถึงทุกวันนี้ ความจริงนะแกควรจะบอกฉันชั่วแต่แรกแล้วว่าแกรู้จักคุ้นเคยกับพรานประจําตัวของนายชดดีมาก่อนผู้กองครับเราไม่มีโอกาสได้พูดกันถึงเรื่องนี้นักนะครับและอกอย่างหนึ่งไอการที่ผมจะบอกผู้กองว่าผมก็รู้จักนันอินมาก่อนมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งสิ้นถ้าผมไม่รู้จักนันอินมาก่อนผมก็คงไม่กล้าจะออกติดตามไปในครั้งนั้น พอทราบวน่านันอินเป็นพรานนาทางของนายชดผมก็มั่นใจว่าผมพอจะสาวรอยได้ถูกเพราะคุณเคยรู้มือกันมาดีแต่เคราะไร้ายถูกงู ก, กัดซะก่อนแล้วจะได้ข่าวจากไหนเมื่อไหร่ว่านันอินไปการนายชดมุ่งเทือเขาพระศิวะระหว่างท่องเที่ยวร่อนเรมอยู่กลางดงครับผมพบกระเหลียงหมู่บ้านลมช้างของขยินโดยบังเอิญมันเล่าให้ผมฟังว่า นั้นอินภาชาัยคนหนึ่งเดินทางผ่านลุมช้างไปเดยขวากุยนทิ้งไว้ที่นั่นบอกให้พวกลุมช้างรู้ด้วยว่าอย่าบุกไปให้ถึงเทือกพระศิวะผมก็เลยรีบตามไประหว่างที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันแกเคยได้ยินนานอินเล่าอะไรให้ฟังบ้างหรือไม่ละ่ะเกี่ยวกับเทือกเขาพระศิวะมรกฎนครซึ่งซ่อนอยู่ในเทือกเขานี้และแหลงขุงเพชรพระอุมาผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าผมจะเคยได้ยินจากปากของนานอินเองหรือไม่แต่เรื่องเทือกเขาพระศิวะมรกตนครและก็เพชรพระอุมาเป็นสิ่งที่พูดกันหนาหูมานานแล้วนะครับในหมู่พรานทุกเผ่าทางเขตพมา่าและเคยคิดบ้างไหมว่านานอินเอาอะไรเป็นเครื่องนําทางในการเดินเส้นทางระยะหลังๆนี่จึงใกล้เคียงกับการเดินตามลายแทงของเรามากที่สุด ชนิดแทบจะเรียกได้ว่าทับรอยกันไปทีเดียวจอมพเนจรนิ่งไปชั่วครู่เหมือนจะสะดุดเข้ากับปัญหาที่ระพินถามเช่นกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับนานอินหรือนายชดอาจได้แผนที่ลายแทงเส้นทางนี้มาจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับลายแทงฉบับที่นำทางได้ถูกต้องกันนึกเหรอว่าลายแทงฉบับดังกล่าวนี้มันจะมีมากกว่าหนึ่งฉบับ มันไม่แน่หรอกนะครับผกกู้กองหนทางบุกป่าฝ่าดงที่จะบายหน้าไปทางเทือกเขาประสิวะมันได้ถูกบันทึกเป็นแผนที่เพื่อแสดงเส้นทางแก่คนยุคหลังๆมาเป็นเวลานานนุ่มแล้วนะครับอาจมีทั้งจริงและเท็จปะปนกันอาจเป็นหนทางที่แตกต่างกันออกไปสำหรับตัวผมเองเท่าที่จำได้เคยเห็นลายแทงชนิดนี้มาไม่ต่ำกว่าสองสามฉบับแต่ละฉบับแตกต่างกันออกไป ไม่เคยเหมือนกันเลยความสาคัญมันไม่ได้อยู่ที่เส้นทางจะไปสู่เทือกเขาพระสิวะเพราะถ้าใครมีความพยายามอย่างแท้จริงก็อาจจะบากบั่นไปจนถึงได้ถ้าไม่ตายซะก่อนแต่กุญแจสาคัญสุดยอดนะ่ะมันอยู่ที่ความลี้ับของเทือกเขาพระสิวะเองใครก็ตามที่ไปถึงที่นั่นแล้วจะหาทางตัดขึ้นถูกหรือไม่เท่านั้นถ้าค้นหนทางไม่พบเขาก็จะวนเวียนอยู่แถบตีนเทือกนัน่นแหละ ไม่มีวันที่จะเข้ามรกตนครได้ถูกคือผู้ตามภาษาของชาวป่าชาวเขาก็คือผีฤเทพพระเจ้าปิดบังอำพรางเส้นทางไว้นักไม่ท่วนของชีวิตนักเสี่ยงโชคได้มาล้มตายสระหว่างทางและแถบตีนเทือกพระศิวะนี่เป็นเวลาศตวรรษต่อศตวรรษมาแล้วเท่าที่ผมทราบเคยมีคนบุกไปจนถึงเทือกพระศิวะแต่ไม่เคยปรากฏแน่ชัด ว่าจะมีใครหาทางตัดขึ้นได้ถูกเว้นแต่ผู้บำเพ็ญศีลอันมียานแก่กล้าซึ่งท่านเหล่านั้นก็สละทางโลกแล้วและปากของท่านก็มักจะปิดสนิทเพราะฉะนั้นระหว่างเส้นทางถ้าเราค้นพบหลักฐานการล้มตายของมนุษย์ก็เป็นสิ่งไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะนั่นคือพยานบอกให้เรารู้ว่าได้มีคนพยายามมาก่อนหน้าเราแล้วเขาเหล่านั้นเคยมาได้ถึง แต่ก็ไม่เคยรอดชีวิตประตูเข้าสำคัญที่สุดมันไปอยู่ที่ปริศนาของคำว่าปิ่นพระศิวะฉายแสงรองเรืองขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาจะปรากฏให้เห็นนั่นใช่ไหมละ่ะครับหลวงปู่อาจารย์ของผมก็ย้ำตื่นไว้นักหนาในข้อความคล้ายๆทำนองนี้ล่ะครับมันเป็นความลับสำคัญสุดของเส้นทางเข้ามารากกนคร ผมเพิ่งมาทราบเอาไม่นานนักนี่เองว่าแม้ในลายแทงฉบับที่ผู้กองถืออยู่ในขณะนี้ก็ระบุความสำคัญข้อนี้ไว้ด้วยมันตรงกันแล้วแง่ท า, ายก็หันมาสบตาเขาเป็นครั้งแรกในระหว่างคำพูดโต้อตอบที่ไม่ได้มองหน้าใบหน้านั้นแม้จะเ ก, กรียมกระด้างประดุษสำริดหล่อต่บัดนี้ก็อิ่มเอิบเต็มไปด้วยความหวังอันแช่มชืนกล่าวต่อมาอย่างชัดเจน น้ำเสียงกังวนว่าผู้กองครับเราจะช่วยกันหาทางเข้าให้ได้ผมมั่นใจอยู่เสมอครับว่าจะต้องสำเร็จถ้าเราสองคนยังยืนอยู่เคียงข้างกันขอเพียงแต่ว่าให้เราไปถึงทันเวลากำหนดเท่านั้นแหละครับระพินเพ่งสายตาฝ่าแสงตะวันบ่ายข้ามเนินเตี๋ยวสลับซับซ้อนที่แลเห็นขวางกั้นอยู่เบื้องหน้า ไปสู่เส้นเขียวรังๆเป็นเงาอยู่ในหมอกยันขอบฟ้าลิบๆนั่นคือทิวด้านใต้ของเทือกพระศิวะหยุดหมายปลายทางที่บุกบันฟันฝ่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดกันมานานบัดนี้แลเห็นอยู่ตรงหน้าเหมือนจะเอื้อมมือถึงนี่เองความหวังใกล้เข้ามาทุกขณะแต่อนาคตก็ยังเป็นภาพพรา่าเหมือนภาพขุนเขาที่หมอกบังอยู่ในขณะนี้จากหลักฐานครั้งสุดท้ายของการพบ ว่ายังมีชีวิตอยู่รอดของคนสาบสูญที่กำลังติดตามทั้งสองคนโดยไม่มีปัญหาให้แครงใจอีกเลยทั้งชุดประชากรและพรานาทางของเขาจะต้องบายหน้าตามทิศนี้จนถึงตีนเทือกพระศิวะแน่นอนแล้วก็อย่างที่แง่ทรายกับเขาคิดอยู่ในขณะนี้นั่นแหละคนทั้งสองจะต้องหาทางตัดขึ้นแต่ว่าจะตัดขึ้นถูกหรือไม่เท่านั้นแง่ทรครั้งหนึ่งฉันเคยจาได้นะ ที่สุดจอมพรานก็กล่าวขึ้นช้าๆพยายามทบทวนนึกย้อนไปถึงความทรงจำมันดูเหมือนจะเป็นวันสุดท้ายที่ฉันพบนานอินกับนายชดที่โป่งกระทิงนานอินบอกกับฉันในครั้งนั้นเกี่ยวกับหญิงชาวเขาคนหนึ่งส้มซานบุกป่าฝ่าดงออกมาจากดินแดนนั้นหล่อนมีลูกชายเล็กๆติดมาด้วยคนหนึ่งแง่ายร์ตาลงแล้วยังไงอีกครับ นานอินเล่ารายละเอียดอะไรผู้กองทราบบ้างละครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ไม่มีรายละเอียดและฉันก็บังเอิญไม่ได้สนใจที่จะซักความต่อไปการที่นานอินบอกกับฉันเช่นนั้นฉันก็คิดว่าเขาต้องการจะแสดงหลักฐานให้ฉันรู้ว่ามีชนชาติเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่เทือกเขาพระศิวะจริงเพื่อสนับสนุนให้ฉันคล้อยตามถึงเรื่องขุมเพชรพระอุมาว่ามันเป็นจริงฉันอยากจะรู้ว่าระหว่างที่คลุกคลีกันมา นันอินเคยเล่าเรื่องนี้แกฟังบ้างหรือเปล่ารอยยิ้มอย่างมืนซึมลึกลับปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากรูปงามนั้นนันอินไม่เคยเล่าเรื่องนี้ผมฟังหรอกครับกระจำเหตุการณ์ขนาดที่แม่ของแกนำแกเล็ดลอดออกมาจากนาครลับแล่นี้ได้หรือไม่ล่ะผมจาไม่ได้ครับผู้กองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพอจะรู้ถึงการเป็นมาของผม ก็เป็นแต่การบอกเล่าของหลวงปู่พระทุรงองค์นั้นเท่านั้นแหละครับอืมมีแม่กับลูกชายสักกี่คู่นะที่ออกมาจากดินแดนนั้นให้โลกภายนอกได้พบเห็นได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับปูกองนี่จะเป็นไปได้ไหมเด็กผู้ชายเล็กๆที่ติดแม่สุมซานออกมาจากดินแดนนั้นตามที่หนานอินพบแล้วก็บอกชันนะแท้ที่จรงก็คือแกนั่นแหละ เงสายนิ่งเงียบและดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่พรานใหญ่เห็นกรามของใบหน้าเหลี่ยมคมสันคู่นั้นบุดกันแน่นนูนเป็นสันตาแลมมือออกไปเบื้องหน้าแวตาทั้งคู่รลอซึมไปด้วยหยาดน้ำใสทำไมแกไม่ตอบคำถามแค่ล่ะเขาถามยำ้ำเจ้าคนลึกลับคงเฉย อ, อยู่เช่นเดิม กองโจรกรเหียงไม่เคยไว้ชีวิตคนที่เคยพลัดเข้าไปในเขตปฏิบัติการของพวกมันเลยถ้าไม่ใช่พวกมันหรือสายของมันเองอดีตนายร้อยตํารวจเอกระเวนชายแดนไทยพูดเสียงเน้นหนักขณะที่ตาจับอยู่ยังใบหน้านั้นไม่เปลี่ยนและที่สําคัญที่สุดก็คือนั้นอินเป็นสายของตํารวจระเวนชายแดนไทยทํางานขึ้นตรงอยู่กับร้อยตํารวจเอกระพินไพรวันในครั้งนั้น ถ้าแกซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้บังคับหมวดของกองโจกรกะเรียงค้นไม่พบความจริงข้อนี้แกก็คงไม่ใช่ร้อยโทงแงาทรายแห่งกองร้อยเสือดาวเอาละไหนเราบอกความจริงมาสิว่าทั้งๆ ท, ที่แกก็รู้อยู่ว่าหนานอินเป็นสายของตำรวจไทยทำไมทำไมแกถึงไว้ชีวิตไม่ฆ่าซะมันเป็นเพราะว่าแกจาได้หรือมิฉนั้นก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหม ว่าพรานเท่านานอินสมัยหนึ่งนานมาแล้วนะได้เคยช่วยชีวิตของหญิงคนหนึ่งพร้อมกับลูกชายเล็กๆเอาไว้กลางป่าลึกแล้วก็พาไปฝากพระธุดงและเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือแก่นั่นเองแง่ายถอนใจฮือและในที่สุดก็สารภาพออกมาอย่างยอมจำนนว่าครับผู้กองเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือผมนี่แหละครับ เว้นไปครูเหมือนจะกล่ำกลืนความรู้สึกบางอย่างผู้กองครับความจริงผมจำเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้หรอกผมจดจำได้แต่คำบอกเล่าของพระธุดงเพียงว่ามีพรานป่าลาวโซ่งคนหนึ่งชื่อหนานอินได้ช่วยผมกับแม่ไว้ในขณะที่ชีวิตกำลังจะดับสิ้นกลางป่าแม่ตายภายในไม่กี่นาทีที่ได้พบผ้าเหลืองเหลือแต่ผมซึ่งรอดตายอยู่ภายใต้ร่มใบบุญของพระคุณเจ้า ผมจดจำชื่อหนานอินคนที่มีบุญคุณไว้ในบันทึกของสมองคิดว่าสักวันหนึ่งผมคงได้พบและได้ตอบแทนบุญคุณแน่ละครับโดยไม่ต้องให้แกรู้ตัวด้วยว่ามันเนื่องมาจากอะไรและในที่สุดผมก็มีโอกาสนั้นจริงๆโอกาสที่จับสายลับของตำรวจไทยได้ระหว่างเข้าไปสอดแนมกองโจรของผมนั่นเป็นการพบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งระหว่างเด็กน้อยที่เคยถูกชุบชีวิตให้รอดตาย จับพรานเผ่าซึ่งขณะนั้นแกก็ไม่มีโอกาสจะรู้ตัวหรือจำผมได้เลยนอกจากชื่อของแกที่สะดุดหูลักษณะท่าทีซึ่งเคยได้รับการบอกเล่าให้จดจำมาก่อนทำให้ผมต้องเฉลียวคิดว่าจะเป็นนันอิงคนเดียวกันและเมื่อสอบความย้อนหลังโดยไม่ให้แกรู้ตัวมันก็ยันกันได้ว่าไม่ผิดตัวไปคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเบื้องสูงขึ้นไปต้องการให้ผมยิงเป้าสายของตารวจไทย แต่ผมทํารายงานเท็จกลบเกลื่อนทําลายหลักฐานการเป็นสายลับของนันอินทั้งหมดเพื่อแก้พ้นข้อหาและให้ปล่อยตัวแกไปจนกระทั่งบัดนี้นันอินก็ไม่เคยรู้หรอกครับว่าแกรอดตายครั้งนั้นนะเพราะอะไรอืมจอมพรานคลางในลําคอแล้วหลังจากนั้นเมื่อมาพบกันอีกครั้งคลุกครีเที่ยวป่าอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยบอกให้นันอินให้รู้เลยว่าแกคือเด็กที่เขาเคยช่วยไว้ครั้งนั้นใช่ไหม ครับหลวงปู่เคยสอนผมไม่ว่าถ้าพูดออกไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมากับใครก็สู้เก็บนิ่งไว้ซะดีกว่าถึงยังไงผมก็ได้ตอบแทนบุญคุณหนานอินไปแล้วผมช่วยชีวิตแกวไว้ได้อีกหลายครั้งระหว่างที่เราตระเวนป่าอยู่ด้วยกันในช่วงหลังความจริงทั้งหลายแหล่มันเริ่มจะมาคลี่คลายเอาในระยะหลังนี่เองและสามารถจะปะติปะตะ ก, กันขึ้นเป็นข้าวโครงที่เห็นชัดเป็นลาดับ เงซายเจ้าคนดงพนเนจรซึ่งเก็บงำความลับซ่อนนิ่งไว้คนเดียวมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานการสอบซักจำเป็นต้องสะดุดชะงักเพียงแค่นั้นเมื่อคณะนายจ้าสาวเท้าไล่ขึ้นมาทันขณะนั้นตะวันยิ่งลอยตัวลงต่ำไปทุกขณะทั้งหมดกำลังจะลงจากเนินเขาเตียเต้ยๆลงสู่บริเวณป่าโปรงซึ่งอุดมไปด้วยโป่งและหนองนา้าไม่ว่าจะมองไปทางด้านใด ล้วนแวดล้อมไปด้วยป่าทุ่งและป่าเขาซึ่งไม่ทึบจนเกินไปนักทิ้งป่าชายเลนของทะเลสาบมรณะให้แลหินเขียวมืดอยู่เบื้องหลังทุกคนเร่งฝีเท้ากันอย่างเต็มที่แข่งกับเวลาค่ำที่ใกล้เข้ามาทุกทีลิิๆยันขอบฟ้าทางด้านขวามือนี่ใช่ไหมทิวปีครุฑ ด, ด้านใต้ตามที่ระบุในแผนที่เนี่ยขณะที่เราส่องกล้องดูกันริมทะเลสาบมรณะใช่ปะ เชิด ถ, ถามพร้อมกระชีมือครับใช่รู้สึกว่าขนทางจะราบโล่งเดินสบายตลอดถ้าทําเวลากันให้เต็มที่กะว่าไม่เกินสี่วันก็คงถึงนะครับและต่อจากนั้นเราก็จะเรียบชายทิวมุ่งขึ้นเหนือเลาะไปเป็นลําดับขนทางระยะ น, นิสัยแล้วล่ะครับมีที่หมายอะไรในแผนที่พอที่เราจะสังเกตอีกบ้างไหมก่อนจะเข้าถึงทิวด้านใต้นั้น ก็รู้สึกว่าจะมีกำหนดบอกอีกสองสามจุดหมายแล้วครับแต่ผมเห็นว่าไม่สำคัญจะ ล, ละหล่ะเป้าหมายเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่นั่นหุนทางก็โล่งปราศจากป่าหรือเขาสูงบางผมจะใช้วิธีขีดเส้นตามเข็มเลยละ่ะเดินไม่ต้องสนใจว่าจะต้องค่อยๆ ค, คลาที่หมายไปเป็นระยะเหมือนครั้งก่อนๆเพราะจะทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุตราบใดก็ตามที่เราแน่ใจแล้วว่านั่นคือทิวปีกครุฑตรงตามแผนที่แล้วครับ เออนี่มันก็เกือบห้าโมงเย็นเแล้วล่ะนะอีกไม่นานก็หมดแสงตะวันนะ น, นี่เชิดท้ายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าค้ามเลนที่เห็นข้างหน้าไปอีกลูกเดียวแล้วครับแล้วเราจะหาที่พักแขงใจเดินอีกหน่อยเท่านั้นนะครับนี่ขาจะแทบจะหลุดเลยนะนายพลานแล้วก็หิวไส้แทบขาดแล้วด้วยเสียงดารินร้องอุทธร์ขึ้น ร่างกายโชกไปด้วยเหงือ่อเรากระอาบน้ำทั้งเสื้อผ้าตรงข้ามกับกระพินซึ่งบัดนี้เสื้อผ้าที่เปียกน้ำของเขาแห้งสนิทนั่นเป็นเสียงร้องทุกครั้งแรกทำ่าตกใจเมื่อหันกลับมาดูก็ค่อยเบาใจลงสีหน้าของผู้พูดไม่ได้แสดงความหมายอะไรมากไปกว่าหาเรื่องบ่นแก้กลุ่มขาหลุดหรือใส่ขาดผมว่ามันยังดีกว่ายอมให้ไอ้พวกแร็กคูล่ามันยกขยงมาสูบเลือดหมดตัวคืนนี้นะครับ เรต้องการฟืนก่อไฟอย่างมากมายในคืนนี้และดงไม้ข้างหน้าเท่านั้นแหะครับที่มันจะช่วยเราได้พรานใหญ่ตอบน้องสาวคนสวยขี่งองแงของนายจ้างของเขาก่อนแสงสุดท้ายของตะวันจะสิ้นไปจากขอบฟ้าการวางปางพัด ก, ก็ได้กําหนดแน่นอนขึ้นบนพื้นโล่งเตียนของไหลเนินต่อนหนึ่งที่กําหนดหมายตาไวา้ซึ่งอุดมไปด้วยไม้สดและไม้แห้งพอที่จะอาศัยทําฟืนได้อย่างเหลือเฟือ โดยไม่ขาดมือและโดยไม่ต้องไปแสวงหาให้เหนื่อยแรงนะักต่ำจากที่พักลงไปเล็กน้อยเป็นแหล่งน้ำซับลักษณะชุ่มฉ่ำสมบูรณ์ตลอดตะปีกลาดเกลือนไปด้วยรอยเท้าอันสับสนของสัตว์ที่ลงกินและไม่ห่างเกินไปนักยังมีโป่งซึ่งโขลงช้างขุดคุ้ยไว้ใหม่ๆคืนนี้เราควรจะได้สเสบียงเพิ่มเติมโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักละครับพรานใหญ่บอกกับกลุ่มนายจ้างของเขา ขณะที่เดินตรวจตราดูในละแวกใกล้เคียงก่อนที่จะกาหนดวางแคมป์นี่คุณพอจะกะได้ไหมว่าขณะนี้นะ่ะเราอยู่ห่างดงของเจ้าพวกทโรเดทิลอยสักเท่าไหร่ชยันถามพยายามจะเหลียวมองย้อนไปทางทิศ ท, ทางเบื้องหลังอันเป็นตำแหน่งของบึงมรณะที่เดินขะจากกันมาตั้งแต่หลังเที่ยงไปแล้วแต่ในขณะนี้อากาศอันเริ่มขมุก ข, ขมัวและระยะอันห่างไกลออกมา ทำให้สังเกตอะไรไม่ได้อีกประการหนึ่งมีเนินสูงสูงต่ำต่ำและป่าโปร่งเป็นแนวกั้นขวางไว้ก็ร า, ราวๆห้ า, ห, า, ห, า, ห, าหกเจ็ดกิโลเมตรอะครับตายละนี่เดินกันตลอดทั้งครึ่งวันดีเดียนนะมาได้แค่นี้เองเหรอดารินร้องอย่างตกใจโถคุณหญิงก็ทำเป็นคนหัดเดินดงใหม่ๆไปได้คุณหญิงเองเดี๋ยวนี้นะ่ะมือเดินป่าขั้นมหาวิทยาลัยแล้ว นักเดินป่าอาชีพทําอะไรไม่ได้เลยก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ครับว่าทางเดินในป่านะมันไม่ใช่ถนนไฮเวย์หนทางมันขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็ต้องอ้อมเสียเวลาไปโดยใช่เหตุราชกัดอัตราการเดินไปตามถนนได้ยังไงระยะเวลาเท่ากันเดินบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์จะไปได้ไกลกว่าเดินขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าแหวกพงมากันตั้ง 6- 7กิโลแบบเนี้ก็นับว่าเก่งเหลือเกินเลยนะครับ นี่ยังดีนะครับว่าเป็นทุ่งโล่งป่าละเมาะไม่รกนักถ้าเป็นป่าดงดิบหรือภูเขาสูงอย่างที่เราผ่านกันมาแล้วโปรดทราบไว้ด้วยเถอครับว่าวันๆหนึ่งเราคืบกันไปได้เพียงไม่เท่าไรหรอกมมราชวงศ์สาวคนสวยไม่ตอบโต้อะไรอีกแต่ปลายหางตาเหมือนจะฝากไว้ว่าทีะทีใครทีมันได้ทีเป็นกี่แพะไล่เชอนะถ้างั้นในระยะขนาดนี้ เราก็ตกอยู่ในรัศมีหากินของมันทีเดียวนะรู้สึกว่าไอ้เจ้าพวกหน้าเหมือนบุนดอกพวกนั้นน่ะมันบินเร็วซะด้วยสิขนาดกลางวันตาฟางลดความว่องไวลงไปตั้งครึ่งยังเห็นมันบินเราก็จะรดูดท่านหัวหน้าคณะเปลยขึ้นทิ้งให้เป็นข้อคิดนี่คิดเซอรอบครอบในตอนนี้นะไพรวันไม่งั้นจะลําบากไปตามตามกันลูกปืนน่ยหยุดมันไม่ได้หรอกเพราะตัวมันเล็กว่องไวมากให้ตัวมันใหญ่ขนาด เทอร์โนดอนที่ยังดีกว่าเราคิดกันไว้ว่าถ้าสูมไฟให้ลุกโชนรอบด้านอยู่ตลอดเวลามันคงไม่กล้าเข้าใกล้แต่ถ้าหากปริมาณของมันมากจริงๆมันอาจประดังกันเข้าใส่ก็ได้ถ้ายัางไงเราก็ก่อไฟให้เพียงพอตามทางเดินรอบๆที่พักเราเท่านั้นไม่ได้ก่อกั้นไว้บนอากาศเหนือหัวของเราแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่มาจากอากาศไม่ได้เดินหรือคลานมาตามพื้นดินด้วยนะ่ะ มาเรียเข้ามาพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดจริงจังครั้งแรกผ่านใหญ่ไม่มีความสนใจกังวลอะไรนักในข้อนี้แต่เมื่อถูกสะ ก, กิดย้ำเตือนจากแหม่มสาวผู้เชี่ยวชาญทางโบราณชีวศาสตร์ซึ่งเขาก็เชื่อมือศรัทธาหล่อนอยู่ไม่ใช่น้อยในเรื่องนี้จึงทําให้ไม่อาจมองผ่านไปได้ไม่ถูกขนมา ก, กองไว้รายล้อมที่พักอย่างมากมายทั้งสดและแห้งชนิดที่จะสุมล้อมได้ตลอดทั้งคืนโดยไม่ขาดแคลน แข่งกับเวลาที่มืดลงทุกขณะและพรานใหญ่ก็เรียกประชุมคนของเขาไอ้ข้างข่าวหน้ายักตัวเล็กพวกนั้นมันอาจจกขยงมาเล่นงานเราคืนนี้นะเขาบอกไอ้แต่สิบตัวยี่สิบตัวก็ไม่ไกลนักหรอกแต่ถ้าเป็นพันพันตัวและรุมเข้ามาพร้อมกันเราจะไม่เห็นตะวันขึ้นพรุ่งนี้นอกจากนอนตัวแข็งกันไปหมดเพราะมันเป็นพวกสูบเลือดนาย สัต ป, ป่าแถบนี้น่ามาชุมมากแถบจะเดินชนทีเดียวน้นนายก่อนจะเล่นงานเรามันน่าจะกระจายไปหาเลือกกินจากสัตว์ชุกชุมเหล่านี้ซะก่อนจันมีความคิดเช่นเดียวกับเขาในครั้งแรกให้ความเห็นมาแต่มันก็ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนอะไรในป่าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะจอมพรานประกาศกับคนเหล่านั้นในการประชุมหารือถ้ามันไมมารบกวนเราโดยหายกินจากสัตว์พวกอื่นก็ดีไป ถ้ามันมุ่งมาที่เราเป็นจํานวนมากก็จะป้องกันแก้ไขไม่ทันอย่างนึงเราก็ยังไม่รู้แน่ว่าศาสตร์มนุษย์พวกเรากษัศาสตร์สัตว์ปา่าอย่างไหนจะล่อจะหมูกกันได้ดีกว่านะทั้งนั้นจะเอาอยัางไงดีละนายแต่ยิงนะั้นมันคงไม่ไหวแน่และนายแล้วเราจะไปขนลูกปืนจากไหนมารบกับมันได้ไหวลูกซองก็มีกันแค่เพียงคนละกระบอกเท่านั้นเสยว่าแต่เราก็ก่อไฟล่อไม่หมดทุกด้าน สูงไฟให้แรงๆได้กลิ่นควันควยมันคงไม่กล้าเข้าใกล้รอกเกิดพูดสอดขึ้นชี้มือไปอยังกองฟืนที่เตรียมขนมาแวดล้อมไปมากไปอย่างมากมายรัศมีเป็นวงกลมแต่จันทร์สะกิดแขนชี้ให้ดูฝูงมดดำที่กำลังขนไข่กันอยู่เป็นทิวแถวเดินขบวนทั่วไปหมดตามโคนไม้และเนินปลวกนี่เองอย่าเพิ่งไว้ใจนักในเกิดคืนนี้ดึกๆฝนอาจตกใหญ่เหมือนเมื่อคืนวานนี่ก็ได้นะ แ, แต้วถ้าฝนตกไฟจะดับหมดตามพักเราอยู่กลางที่โล่งไม่มีที่กบาบังข้าว่าคืนนี้มันไม่เข้าท่านักนะยังไม่มีอะไรเลยก็มีหวังเปียกฝนกันทั้งคืนหลังคาผ้าพลาสติกที่ใช้กันน้ําค้างนะ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกคําพูดของจันทร์ทําให้รพิน์และทุกคนฉุกใจคิดขึ้นมาในทันทีนั้นเกี่ยวกับเรื่องฝนตกกลางคืนและมันก็น่าจะเป็นไปได้จากธรรมชาติที่เห็นอยู่นี้อีกประการหนึ่ง ผูมิประเทศแถบนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้แล้งฝนเลยเพราะเมื่อคืนวานตอนดึกมันยังซัดลงมาอย่างหนักขณะที่คณะทั้งหมดยังเฝ้าคุณเชิงกับเจ้าไทแรนโนซอรัสอยู่ทางเชิงเขาของแผ่นดินฝากที่ผ่านกันมาแล้วและในคืนนั้นเองทรัคโกดอนสองตัวเดินเล่นน้ําผ่านช่องเขาที่เจ้ามาหายักษ์ดับเฝ้าฝ่ายมนุษย์อยู่ซึ่งในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อแทนตามที่เห็นกันอยู่แล้วมันก็เนื่องมาจากคืนฝนตกนั่นแหละ แล้วถ้าฝนตกในคืนนี้จะอาศัยอะไรได้กับกองไฟที่หวังไว้นี่เริ่มจะเป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยลืมกันไปซะอย่างสนิทขณะนั้นส่างปาขยินบุญคำสามคนพูดปรึกษาอะไรกันอยู่พึมพาแล้วตาเท่ากระดูกเหล็กก็หันไปทางเจ้านายของเขานายไอตัวประเภทนกมีหูหนูมีปีกนั่นปีกมันเป็นพืชหนังไม่ใช่เลยนาย เหมือนตัวผีกระหังใช่ไหมพรานใหญ่ขมวดคิว้วยังไม่เข้าใจอะไรนะักอืมก็ใช่อ่ะสิแล้วยังไงบุญคำหาหรือไอ้สองตัวนี่ดูแล้วนะนายไอ้ซางป้าบอกว่าเราน่าจะหาทางป้องกันแบบเดียวกับกันผีกระหังที่ชอบบินมาล่วงตับไตไส้พุงผู้หญิงเวลาออกลกนะูกเนี่ยนายที่ยังไม่เข้าใจที่บุญคาว่านะเขายิงงงหนะัก ตาเท่ามือขวาของเขาหัวรอหา่าโถมันจะยากอะไรเล่านายไอ้ีหาไปพืชหนังพันนี้นะ่ะมันตัวน้ำเรามุงหลังคาด้วยกิ่งไม้แพ้ออกไปให้กว้างกว่าผ้าพลาสติกกั้นไว้เดิมผูกไม้แทนฟ้าันังรอบด้านแล้วก็ไปช่วยกันตัดน้ำประเภทเล็บเยี่ยวเกี่ยวไก่น้ำพุงดอแล้วก็น้ำไวมาสักไว้รอบด้านสะสมไว้ให้เต็มทีเดียว แล้วพวกเราก็มุดเข้าไปนอนในนั้นไอ้พวกผีกระหังมันจะกล้าบินหวกน้ำเข้ามาถึงตัวเราได้ก็ให้มันรู้ไปบุญคำจะทำพิธีตามสยศาสตร์แบบป้องกันผีกระหังกำราบมันอีกทีนึงตัวนายรับรองว่านอนสบายไม่ต้องพึ่งไฟซะด้วยซ้ำระพินลืมตาโพงอย่างยินดีและมองเห็นตามคำพูดของเท่าบุญคาในทันทีนั้น เขาลุกขึ้นตบไหล่สมุนมือขวาหรือพ่อมดหมอผีประจำคณะโดยแรงยิ้มออกมาได้เด็ดมากบุญคำฉันเองก็ลืม ส, สนิทเนะี่ยว่าเจ้าพ้างค้างคาวพวกนี้นะ่ะมันกลัวหน้ำคืนบินโผล่เขามาเป็นถูกหน้ำเกี่ยวเติดปิกทันทีเราไม่ต้องไปสู้รบตบมืออะไรกับมันด้วยเพียงอยู่ในที่คุ้มกันหรือเพิงสะหนานี่เท่านั้นอ่ะแล้วนี่เราจะไปหาหนามมากๆมาจากไหนกันล่ะเนี่ยขยิ่งยิ้มแยกเขี้ยว ยืนขึ้นเต็มสัดส่วนอันสูงใหญ่โถนายถมไปไม่ต้องหัวรอกเจ้าสักกี่เกวียนก็ได้นี่ตอนที่ขยินก็สางปลาไปหาไม้มาทำฝืนพบป่าหวาไม่ห่างออกไปเท่าไรเล็บเกี่ยวหรือน้ำพุงดอก็มีอยู่เกลื่อนไปและยังมีต้ น, น้นาอีกหลายชนิดที่ขยินไม่รู้จักมาก่อนนะเป็นความจริงไหนตนน้นหนามมีเยอะแถบนียเจ้าตองสู่ของมาเรียรีบยืนยันมาอีกคนนึ ถ้า ง, งั้นทั้งหมดนี่แหละเร็วเข้าไปช่วยกันตัดกิ่งน้ํามาขนมาให้มากที่สุดมารีบกันหน่อยมืดลงเต็มทีแล้วร้านใหญ่สั่งเร็วปรืออย่างยินดีแล้วหันมาทางแง่ทรายซึ่งเป็นคนเดียวที่ยืนสงบอยู่ในขณะที่คนอื่นๆพากันลุกพรวดพาลาดเฮลโลตามขยยินกระสางตาไปโดยเร็วอ่ะแล้วสําสหรับแกนะไปตัดกิ่งไมเ้เล็กๆมาผูกเป็นฝาตันเพลิงของเราให้รอบได้ช่วยกันสองคนกับฉันประเดี๋ยวพวกนั้นขนกิ่งน้ํามา จะได้เอาศาก็ข้างนอกอีกทีนึงลงมืเดี๋ยวนี้เลยเวลาไม่ค่อยท่าแล้วเงี้สายพยักหน้ารับคําสั่งก้มลงกระชากดาบเดินตาที่ตักอยู่กับพื้นดินขึ้นมาเดินตรงเข้าไปยังละเมะไม้เดินไม่กล่าวคําใดกระพินเองก็หมุนตัวกลับปไีไปที่มีดประแดะที่พวกนั้นวางลืมไว้เล่มหนึง่งแต่แล้วทันใดนั้นเองคณะนายจ้างซึ่งสังเกตเห็นความชุลมุนรีบด่วนกันอย่างผิดปกติก็พา ก, กันเดินตรงเข้ามาโดยเร็ว นี่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นเหอนอปุ๊กกเชษฐาถามโดยเร็วหน้าตื่นพรานใหญ่เกรงคณะนายจ้างของเขาจะตกใจก็หัวเราะแล้วอธิบายให้ทราบคร่าวๆถึงแผนตั้งรับของตาบุญคำทุกคนได้ยินก็เข้าใจได้ในทันทีนั้นเต็มไปด้วยความยินดีแม่กู๊ดไอเดียมารีร้องตาเป็นประกายแจ่มใส้าเท่าส ป, ปดนมือขวาของคุณนะความคิดไม่เร็วนะฉันเห็นด้วยว่ามันจะต้องได้ผล ต, ตัวเองคิดไปไม่ถึงแต่แรกเช็ดเทาหัวร้อเสียงกลางวันก็บอกแล้วไงว่าพวกเราที่มากันนี่นะ่ะทุกคนล้วนแต่มีสมรรถภาพทั้งนั้นอีกสิบเอ็ดคนอับจนก็จะต้องมีคนนึงหาทางออกได้เสมอสุดแต่ว่าใครจะถนัดทางไหนจะทะลึ่งโลนชอบเล่นสนุกยังไงแต่ตาบุญคําก็เป็นมือชั้นหนึ่งของเราเหมือนกันอย่าไปดูถูกแก้แก้ปัญหาอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมพวกเราตกมาหลายครั้งแล้วอะและนี่ยังไง คุณกระแง่ทรายขยับท่าจะไปไหนกันเลยนี่ผมกับแง่ทายจะไปช่วยกันตัดไม้มาผูกเป็นผนังรอบด้านเพิงพักของเราคืนนี้ครับคือแทนที่จะเป็นเพิงธรรมดาพอกันน้ำค้างเหมือนเคยเราจะมีฝาทุกด้านลักษณะเป็นกระท่อมหยาบๆขึ้นด้านนอกสะหนาไว้ให้หมดอย่างที่บอกแล้วละครับพันหัวหน้าคณะหันไปทางพักพวกอีกสามคนพยักหน้าชวนถ้างั้นพวกเราอีกสี่คนจะอยู่เฉยๆทำไมล่ะ ก็ไปช่วยเราพินกันไงทายตัดไม้ดีกว่าจะได้เสร็จเร็วๆขึ้นอ่ะไปกันไม่มีใครอิดเอื้อนนอกจากความเต็มใจต่างตรงเข้าไปหามีดประจําตัวจอมพรานขยับปากจะทักท้วงแต่แลราก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรคณะนายจ้างของเขาปฏิบัติตนให้การร่วมมือในทุกด้านสําหรับการที่จะร่วมชีวิตกันด้วยดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยไม่มีใครงอมืองอเท้าวางท่าเป็นนายแต่ไหนแต่ไรแล้วนับตั้งแต่ออกจากกลุมช่างมา และละเหมาะไม้ที่แวดล้อมอยู่ก็ไม่ห่างที่จะต้องเดินไกลอะไรเลยเพียงแค่ก้าวไปพ้นบริเวณพื้นราบโล่งใจกลางหน่อยเดียวเท่านั้น6คนที่เหลืออยู่อย่างต่างพักจึงกระจายกันเข้าหาต้นไม้ช่วยกันตัดกิ่งที่มีลักษณะยาวตรงและลิบใบออกเสระพินร้องบอกมาให้เลือกตัดกิ่งที่มีช่วงยาวเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นมาเรียหรือดารินก็จ่วบ ม, มือในการนี้อย่างแคล่วคล่องแข็งขันต่างไม่ได้แยกกันห่างออกไปมากนะัก อยู่ในระยะที่มองเห็นและผู้จาโต้อตอบกันได้ยินเดินไม่จำเป็นต้องตะโกนยกเว้นแงซายเพียงคนเดียวที่เดินลึกบุกเข้าไปตัดใบไม้อันแผกกว้างใหญ่ชนิดหนึ่งลักษณะคลา้คลายใบลักษณะคลา้คลายใบลานแล้วลากมากองไว้เพื่อสำหรับมุงหลังคาเสริมจากหลังคาพลาสติกซึ่งยังแคบอยู่เพียงครู่เดียวก่อนที่พวกไปตัดกิ่งน้จาจะโผล่กลับมาถึงฝ่ายที่อยู่ปางพัก ก็ตัดกิ่งไม้สำหรับผูกทำโครงฝาได้มากมายเกินความต้องการซะโดยซ้ำโดยการร่วมแรงกันคนละไม้ละมืออย่างพร้อมเพรียงและพรานใหญ่กระจอมพเนจรก็ลงมือช่วยกันปักเสาหลักขยายอาณาเขตที่พักนอนซึ่งจุคนได้ทั้งหมดสิบสองชีวิตจากนั้นก็ผูกกิ่งไม้ด้วยเถาวันทำโครงฝาโดยมีฝ่ายนายจ้างช่วยเป็นลูกมืออยู่ทุกคนทางานกันอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาพร้อมกับสนทนาหารือกันไปพลาง ขณะนั้นมืดสนิดลงแล้วไฟกองใหญ่ที่เพิ่งจะก่อไว้เพียงกองเดียวใจกลางบริเวณลุกโชนเป็นเปลวพอจะอาศัยส่องบริเวณได้ตามสมควรดารินกามารียใช้ไฟฉายช่วยฉายส่องการผูกโครงฝาของระพินและงแงสายในขณะที่เชิดถากระชัยยันรับภาระเป็นลูกมือส่งอุปกรณ์ให้ฝนจะตกหรือเปล่านันในคืนนี้ดารินถามขึ้นลอยๆก็มีหวังมากละ พวกมดและแมลงมันเคลื่อนไหวกันผิดปกติดูบนท้องฟ้าหน่อยสิไม่มีดาวให้เห็นสักดวงอากาศมันก็กดต่ำยังไงพิ่กนที่จะฝนตกคืนนี้คงจะลําบากกันอีกนะไฟฟื้นคงดับหมดหนาวกันแย่ทีเดียวหลนพึพมพำเหมือนจะพูดกับตนเองออกจากเขตปรภาวกาลที่เคยผ่านพบทํานองนี้มาแล้วจนจับกระดูกดําถึงยังไงเราก็มีกระถางมุงหลังคากันฟ้าฝนได้พอสมควรไม่ใช่หรือผู้กอง ชัยยันว่าผมพยายามจะสร้างกระท่อมหลบภัยของเราเตรียมเพื่อสำหรับฝนตกคืนนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่ตกได้ก็ดีมันก็ยังไม่แน่นักละครับมไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยนะว่าชีวิตนี้จะต้องมาลำบากยากแค้นแสนสาหัส ถ, ถึงเพียงนี้เสียงใส่ของใครคนหนึ่งรำพึงขึ้นดังๆแต่หางเสียงไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าพูดไปตามเรื่องตามราวระพินไพรวันเพียงแต่ฝั่งเงียบ มือยังทำงานเป็นปกติแต่สหายชายผู้ร่วมคณะมาด้วยทำหน้าที่โต้อตอบแทนครับนี่ไม่ต้องบนรู้สึกกันเลยก็ห้ามแล้วนี่ว่าอย่ามาอย่ามาไม่ยอมเชื่อนอนอยู่บ้านดีๆนะไม่ชอบอย่าหาว่าทวงบุญคุณหรือโอดความสำคัญอะไรเลยนะพชยันคณะเดินทางชุดนี้นะ่ะถ้าขาดหมอดารินสักคนเดียวหลายต่อหลายคนนะ่ะถูกฝังกันไปนานแลว้วไม่อยู่รอดครบหน้าก็ไม่จะถึงเพียงนี้หรอก เออมันก็ถ่าจะจริงเนะไม่จะมาบ่นหาอะไรอยู่มาด้วยกันแล้วนี่ก็มันลําบากมากมากก็ต้องบ่นมั่งซีใครจะมาห้ามปากฉันได้ละ่ะนั่นละ่ะที่เขาเรียกว่าปากขอยปาก ป, ากปูละ่ะไม่ทันจะขาดเสียงพูดชายันก็ร้องลั่นออกมาว่าโอ้ยเพราะถูกคนปากขอยปาก ป, ากปูเอาไฟฉายเคาะศีรษะพร้อมกับเอตโตโรโลงเลง็งความเหนื่อยยากหรือวิกฤตการณ์ใดๆก็ตามที ไม่เคยกล้ำกลายเข้ามาทำลายขวัญหรือกำลังใจบุคคลชุดนี้ได้ตราบใดก็ตามที่ทุกคนปราศจากอารมณ์ตึงเครียดหมกมุ่นกังวลจนเกินไปนักนักผจญภัยเสี่ยงต่อชีวิตเยี่ยนเจ้านายทั้งสี่คนของระพินไพยวันพลอยทำให้ลูกจ้างหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีอารมณ์คลึกครื้นไปด้วยและเสียงหัวเราะตลอดจนการผู้จายหยอกล้อก็หยุดติไปในฉับพลันกลายเป็นความเงียบขึ้น เมเชธพาเอ่ยดังๆออกมาว่าเอรู้สึกว่าพวกนั้นจะไปนานเลยนะทำไมยังไม่มีวี่แววว่าจะโผล่กลับมาสักคนเลยเนี่ยในความเงียบที่หยุดพูดนั้นปางเงียบสนแล้วก็จริงดังเชษฐาตั้งข้อสังเกตไม่มีวี่แววอะไรจากพวกที่ไปตัดกิ่ง้ําเลยไม่ได้ยินแม้แต่เสียงไอ้พวกนั้นเขาจะไปไกลกันสักขนาดไหนนะเนี่ย เชยันถามขึ้นบ้างหางสีงจริงจังขึ้นมาในทันทีนั้นปราศจากเวลเล่นจอมพรานมัดเถาวันเปลาะสุดท้ายกระชากเงื่อนโดยแรงอย่างเหนียวแน่นแล้วเงยหน้าขึ้นหันมองออกไปยังราวป่าทิศทางที่พวกนั้นเดินกันไปซึ่งบัดนี้ปกคลุมอยู่ด้วยความมืดกระดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากก็เห็นบอกว่าไม่ไกลนักครับนี่คุณรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมไพวัน ขนาดเดิมข้ามเขากันทั้งลู ก, กนะพวกกระเรียงที่ชาวเขาทุกเผ่าจะไม่บอกเลยว่าไกลมาเรียพูดเบาๆดารินส่องไฟฉายตรวจบริเวณแล้วมาหยุดอยู่ที่กองสัมภาระซึ่งยังทิ้งเกะ ก, กะไม่เป็นระเบียบนะักแล้วหล่อนก็ร้องอีออกมาเบาๆในลำคอจับไฟฉายนิ่งไปยังปืนประจำตัวของพวกนั้นซึ่งวางเรียงกันอยู่บนห่อสัมภาระครบหมดทุกกระบอกสแสดงว่าพวกนั้นรีบุนพลันไปตัดกิง่ง้ํา โดยไม่ได้มีอาวุธคู่มือติดไปด้วยเลยสักคนเดียวนอกจากมีดเท่านั้นราชสกุลสาวสะกิดแขนพี่ชายให้ดูไปที่ปืนเหล่านั้นพร้อมกับขมวดคิว้วเชิดาสาวเทาว้าตรงไปที่ปืนเหล่านั้นทันทีพลอยพายทุกคนพลูตามเข้ามาด้วยประมาทกันจริงพวกนี้ไม่มีใครเอาปืนติดตัวไปด้วยสักคนเดียวก็คงจะเห็นว่าเป็นป่าโปรง่งะระยะไม่ห่างนักระมังนะครับระพินบอกเสียงต่ๆ และก้มลง่วยไรเฟินประจำตัวขึ้นมากล่าวต่อโดยเร็วว่าอางนี้นะครับเดี๋ยวรอผมอยู่ที่นี่แหละผมจะไปตามพวกนั้นเองสั่งกาชับแงซ า, ายอีกคนหนึ่งให้อยู่เป็นเพื่อนคณะนายจ้างทั้งหมดที่ปางพักและโดยไม่เปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นทันพูดอะไรอีกจอมพลานก็สาวเท้าพลกออกจากบริเวณตัดทางไหลาลาดของลูกเนินลงไปโดยเร็วท่ามกลางความมืดที่แพเงาครอบคลุมอยู่โดยรอบ แม้สภาพป่าจะโปร่งแต่ในเวลาค่า ม, มืดหมดแสงตะวันแล้วเช่นนี้ประกอบกับไม่ได้สนใจถามให้แน่นอนไว้ก่อนว่าพวกนั้นจะแยกไปทิศใ ด, ดทำให้พรานใหญ่อึดอัดใจเล็กน้อยต้องมาเสียเวลาคลำร่องรอยตามพื้นอยู่พักหนึ่งจึงจับเส้นทางได้ว่าจะพวกนั้นยกขบวนแยกอ้อมเนินลงไปทางด้านใต้อันเป็นละเมะไม้ที่ค่อนข้างทึบในระหว่างตีเนินสองลูกบรรจบกันเขาก็ออกสาวรอยไปอย่างรวดเร็วทันทีนั้น ใช้ไฟฉายสองกราดสังเกตภูมิประเทศไปรอบๆหนทางนั้นลักษณะเหมือนใครมาตัดไว้เป็นถนนสําหรับคนเดินกว้างประมาณสองเมตรค่อยๆล่าต่ำลงเป็นลําดักสองฝั่งทางเต็มไปได้วยจอมปลวกพงไม้เตียเต้ยๆและไม้ยืนต้นขนาดย่อมๆ อ, อันเป็นลักษณะของป่าปโปรงแต่ยิ่งลึกต่ำลงไปสองฝั่งทางนั้นก็ค่อยๆทึบรกขึ้นเป็นลาดัก มีรากไม้พลูงอกขวางเส้นทางเดินอยู่ทั่วไปรอยเดินเข้าขบวนและรอยตัดลิฟตกิ่งไม้ไว้ของพวกนั้นสังเกตเห็นได้ถนัดบางแห่งมีพวกเล็บเดียวใบเสมาและเถาไม้ลม้มลุกอันอุดมไปด้วยน้ำถูกตัดรากมาสูงไวร้ริมทางแสดงว่าทิ้งไว้รอมาขนในเที่ยวขากลับระพินตรวจร่องรอยเหล่านั้นไปด้วยความพิศวงใจยังไงชอบกุน พวกนั้นก็ไม่น่าจะเลยถิอไปไกลนักตามที่บอกไว้แต่ทาไมป่านี้จึงยังไม่กลับกันมาเลยสักคนโดยทางอันเทลา่ากเหมือนจะลงไปบรรจบกับส่วนที่ลึกที่สุดของปลายเนินลูกนั้นอีกอึดใจใหญ่ต่อมาเขาก็แววเสียงน้ำไหลอยู่ในลำห้วยและเมื่อกราดไฟตรวจอย่างรอบคอบก็พบว่ามันเป็นลำห้วยทอดเป็นแนวคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่างจริงๆฝั่งตรงข้ามทึอไปด้วยปารก ที่อยู่ในระดับต่ำลงไปอีกจมปลูกที่ผุดพโพลอยู่ทั่วไปก็ดีผิวของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นก็ดีและเป็นสีดำคล้ำยังไงบอกไม่ถูกสภาพของความชุ่มชื้นของภูมิประเทศใกล้น้ำทำให้เห็นร่องรอยของไม้ประเภทเฟิร์นกกและว่านหลายชนิดขึ้นหนานแน่นทุกขณะบ้างก็ออกดอกลักษณะและสีสันประหลาดประหลาดลา้ห้วยลูกนั้นมีขอบฟังต่อฟัง ห่างประมาณสิบห้าเมตรแต่บริเวณร่อง น, น้ำตื้นๆที่ไหลซ้อไปในระหว่างโขดหินและพื้นทรายกว้างเพียงไม่เกิน 4-5 หเมตรเป็นอย่างสูงนอกนั้นเป็นชายฝั่งที่ต่ำลงไปซึ่งงอกระเกะระกะอยู่ด้วยมูหินและพันไม้ใกล้น้ำเมื่อค่อยๆไต่ทางชันนั้นลงไปจอมพรานแว่วเสียงคนหมู่มากเดินเหยียบย่าอยู่ชายปา่าเหนือแนวฝั่งตรงข้าบพร้อมกับเสียงลากกิ่งไม้อยู่แสกซ ระยะนั้นมันไม่ห่างออกไปเท่าใดนักกับระดับที่เขากำลังเดินลงอยู่ในขณะนั้นจึงกูให้เสียงออกไปไม่มีเสียงกูหรือซําสาเนียงใดๆแสดงอาการตอบรับมาแต่เสียงเดินเหยียบกิ่งไม้และลากอะไรอยู่แสกๆ ก, ก็ยังดังอยู่เช่นนั้นบุญคมคราวนี้เขาตะโกนเรียกชื่อพรานเท่ามือขวาออกไปเต็มเสียงไม่มีเสียงตอบอยู่ตามเดิมแต่ให้ตายเถอะ เสียงเดินเสียงหลากกิ่งไม้กันอย่างชุลมุนชั้นไหนจึงยังปรากฏอยู่แต่พิงชายไฟปราดข้ามฝั่งห้วยลงไปในทันทีนั้นอย่างฉงนสนเทใจขีดสุดภาพที่เขาเห็นทำให้จ้องงานอย่างไม่สามารถจะทำนายเหตุการณ์ใดๆไ ด, ไ ด, ได้และตกตะลึงไปชั่วขณะบุญคำเกิดเสยจันทร์สี่คนอันเป็นพรานของเขารวมทั้งขยินและสางปลาพร้อมหน้าครบจานวน ทั้งหกคนเหล่านั้นใช้สายเชือกมัดกิ่งน้นามหวายที่ตัดไว้เป็นกองใหญ่พเนินเทินทึกเดินลากกันอยู่สวบสาบเนื้อริมฝั่งห้วยและหินชัดกลางแสงไฟฉายคนเหล่านั้นมีอาการเหมือนจะลากน้นามหวายที่ผูกมัดไวเรียบร้อยแล้วเหล่านั้นข้ามห้วยมายังฝั่งนี้แต่แล้วก็กลับเดินอ้อมต้นตะบากใหญ่ที่ยืนต้นรังงานอยู่รอบแล้วรอบเล่าพากันเดินวนหมุนอยู่เช่นนั้นเฮ้ย ใครกันตาค้างใคยยืนทำไมเดินวนอยู่อย่างนั้นเฮ้ยพรานใหญ่แพดตะเบงสุดเสียงด้วยความประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเสียงที่ตะโกนไปก้องทั้งป่าของเขาดูราวกับว่าภาพที่มองเห็นอยู่ตาตาห่างกันไม่เกินหกสิบเมตรขนาดนี้ไกลจากกันสักคนละขั้วโลกก็ไม่ปัดหรือมิฉะนั้นก็มีเขือนเพชรมาขวางกั้นไว้ไม่เห็คนเหล่านั้นได้ยินเสียงของเขาได้ ไม่สําเนียกแม้กระทั่งลำไฟฉายขนาดแปดท่อนของจอมพรานที่สองจ้าเข้าไปทั้งหคนคงก้มหน้าก้มตาล่ากองน้ำหวายเดินวนรอบโคนไม้ใหญ่อย่างชนิดเอาเป็นเอาตายดูราวกับว่าจะเร่งเวลาบายหน้ากลับแคมป์ให้เร็วที่สุดไม่มีใครพูดกับใครนอกจากเดินเดินแล้วก็เดินหน้าตาแต่ละคนดำคล้่าเครียดเงื่อไหลคายย้อย แสดงว่าได้เดินวนอยู่เช่นนั้นมาเป็นเวลานานแล้วระคนกระเสียงฝีเท้ายำและลมหายใจหอบที่แววมาให้ได้ยินชัดพรานใหญ่กระโจนพุ่ดลงมาสองสามเก้าแต่แล้วก็ชงงะงักกึกอย่างตั้งสเติกได้หยุดนิ่งสำรวมใจอยู่กับที่แม้จะมั่นคงแข็งแกร่งสักบานใดบัดนี้ขนทุกเส้นในร่างกายของเขาลุกชันขึ้นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูก มือที่กำไฟฉายไรเฟินสันเทาสิ่งที่เขาเห็นชัดอยู่กับตาในขณะนี้มันเป็นปรากฏการณ์พิสดารแทบจะทำให้ประสาททุกส่วนเป็นอมาพาสไปหมดสิ่งแรกที่เขาจะทำได้ในขณะนี้ก็คือหลับตานิ่งลงชั่วขณะจิตหนึ่งดำลึกถึงพระพุทธคุณเป็นลำดับแรกต่อมาก็น้อมจิตบูชาไปถึงครูพรานผู้ประสิทธิประสาทวิชาการเกี่ยวกับป่าดงพงไพรทั้งหลาย แล้วก็จบมือพนมขึ้นเหนือสีสักสักการะขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาและวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ประจำพงไพรทั่วไปครูใหญ่จึงลืมตาขึ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาในสาเหตุด้วยสติสัมปชัญญะที่แนวนิ่งมั่นคงขึ้นโดยใช้ไฟฉายในมือกราดสองช้าๆตรวจไปทั่วบริเวณฝั่งตรงข้ามเท่าที่รัศมีของฮันเตอร์จะกราดถึง มันเป็นป่าหวายสลับกับไม้ประเภทเครือเถาวันอันรกทึบลักษณะเป็นหุบในที่ลุ่มมีไม้ยืนต้นแพ่กิ่งก้านสาขาปกทึบอยู่เป็นระยะลำต้นอันสูงตระงานที่คนของเขาทั้งหกคนกําลังลาดน้ําเดินรอบแล้วรอบล่าอยู่ในขณะ น, นี้ลักษณะของมันคือต้นกระบากสูงชะลูดเกลี้ยงเกลาสูงขึ้นไปประมาณสิเมตรจึงถึงบริเวณที่เป็นกิ่งแผ่ออกไป แม้จะดับไฟฉายปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างจมอยู่ในความมืดของราวป่ายามราตรีเสียงคนเหล่านั้นก็ยังเดินกันอยู่โดยไม่มีการหยุดคราวนี้เขาฉายไล่จากโคนต้นไม้ขึ้นไปตามส่วนสูงช้าๆอย่างใคร่ครวดพิจารณาตามกิ่งก้านสาขาอันหนาทึบเหล่านั้นโดยถีทวดแล้วก็เย็นวูบขึ้นไปถึงสันหลังเมื่โฟกัสของลำไฟฉายสะท้อนขกขกระดวงทับทิมวาวแสงคู่หนึ่ง ระดับกลางลำต้นทัพทิมคู่นั้นแลเห็นในครั้งแรกอุปทานเรากับว่าต่ละข้างของมันใหญ่ขนาดไข่หา่านเขากัดทิมฝีปากแน่นกระโดกลำไฟฉายล่อไปมาทัพทิมสะท้อนแสงทั้งคู่ก็คงปรากฏลอยเด่นอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าถ้าลำไฟส่องเบี่ยงออกมาจากมุมตรงมันก็จางแสงลงและเมื่อกวาดเลยผ่านไปเส้นทางอื่นก็ดับหายกลายเป็นความมืดตามเดิม จอมพรานส่องตรวจไปจนตลอดทั้งลำต้นอันสูงใหญ่โดยผ่านจุดประหลาดนั้นไปซะก่อนก็ไม่พบวีแววผิดปกติอื่นใดอีกและในที่สุดเขาก็กดลำแสงลดต่ำลงมาจับนิ่งอยู่ที่นั่นอีกครั้งตาไม่ฝาดหรือหลอกลวงตัวเองแนะ่มีอะไรชนิดหนึ่งประดิษฐานอยู่เหนือกิ่งกระบากตอนนั้นซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงได้เมื่อดับไฟก็มืดวับหายไปทันที เมื่อกระทบแสงก็สว่างโพลงสวนตอบมาเป็นเช่นนี้ทุกครั้งไปและไม่ขยับเขยื่อนไปจากตำแหน่งเดิมเลยระพินไพรวันสะบัดหน้าแรงๆเอาฝ่ามือสักษาของตนเองลูบที่แขนเรียกความรู้สึกใช้เวลานั่งพินิษ ด, ด้วยประสาทของจอมพรานทั้งหมดในความมืดอีกพักใหญ่อย่างใจเย็นคราวนี้เขาเริ่มจะหนักแล้วว่าแม้จะไม่ใช้ไฟฉายช่วยเลยก็ตาม เจ้าสิ่งที่เคยสะท้อนแสงตอบมาปานดวงทับทิมนั้นมีประกายเรืองๆอยู่ในตัวของมันเองราวกับฟอสฟอรัสแยกออกมาได้เด่นชัดจากกิ่งใบอันดำสนิทมืดทึบพรานใหญ่ยกไฟฉายขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ประทับกระโจมมือของไรเฟิลผ่านท้ายยันติดซอกไกและนิ้วแตะอยู่ที่ไกลแล้วเปิดสวิตไฟสว่างเป็นลำไปอีกครั้งยังตำแหน่งนั้น โอกัดของไฟได้ระดับประสานสัมพันธ์ ก, นกันกับศูนย์เขาเห็นกระจ่างตาแล้วในครั้งนี้ร่างหนึ่งขนาดส่วนสัตว์ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดแต่รุงรังไปด้วยขนอันดำสนิทนั่งนิ่งอยู่บนกิ่งไม้ขาข้างหนึ่งหด อ, อีกข้างหนึ่งยันกิ่งที่นั่งชั้นเขาขึ้นมือยาวเอื้อมขึ้นไปเกาะกิ่งเหนือหัวทับทิมคู่นั้นคือดวงตาที่ฝังอยู่ในกรอบหน้า ันยังไม่อาจสนิษฐานได้ถูกว่าส่วนทรงของมันเป็นอย่างไรกลางอกส่วนบนที่มีใบไม้บางลับลับล่บลอๆ อ, อ, อยู่นั้นทาบเข้ากลางศูนย์ไรเฟิลพอดีและระยะขนาดนี้ระพินไพรวันจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายเว้นแต่กระสุนจะด้านซเท่านั้นอธิษฐานแผ่ส่วนกุศลให้อีกอึด ใ, ใหญ่มากว่าถ้าไม่มีเว้นกันต่อกันมาก่อน ก็ขอให้เจ้าสิงอันมีอำนาจลึกลับอย่างมาศจรนน์นั้นเคลื่อนตัวพลาไปซะโดยเร็วปลดปล่อยคนทั้งหกของเขาออกจากรัศมีอำนาจสะกดของมันซะเขาเริ่มต้นนับช้าในใจให้โอกาสแก่มันในช่วงระยะเวลาจากหนึ่งถึงสิบนับถึงสิบก็แล้วมันยังสถิตอยู่ตรงนั้นอย่างดื้อดึงอาหาังการ พลันใหญ่ลั่นไกจุด่หแปดแมกนัมแอฟริกันแพดคำรามปานสายอาสุนีบาดสะเทือนกล้องไปทั้งหุบพร้อมกับกำปนนันนาดนกิ่งไม้ขนาดท่อนแขนกลางลำต้นขาดสะบัน้นสอดประสานมาตับเสียงร้องกรี๊ดแหลมหยหวนราวกับเสียงร้องของปีศาจเมื่อต้องทันปามาติดติดกันนั้นคือเสียงหล่นปะทะกิ่งไม้โครมคลืนระลงไปเป็นลาดับ แล้วปรากฏเสียงโตกฟาดลงกับพื้นดินเนื้อลำห้วยดังตูมใหญ่จนดินสะเทือนรพินถลันพรวดขึ้นยืนกระชากลูกเลื่อนป้อนนัดไม่อย่างรวดเร็วแล้วกราดไฟลงไปยังโคนต้นบุญคำเกิดจันเสยส่างปาและขยินซึ่งพากันเดินวนอยู่รอบโคนต้นกระบากขณะ น, นี้พากันหงายพึงล้มระเนรานาศลงกับพื้น บางคนลงนอนแผยเหยียดยาวอย่างเหน็ดเหนื่อยหมดแรงบางคนตะเกียกตะกายลุกขึ้นอย่างเพื่อจะสติสานึกตนร้องกันเอะอะเอตโรแซ่ไปหมดจนฟังไม่ได้สับเฮ้ยอะไรเฮ้ยฟ้ า, าทาธรณีสุขนั่นเป็นเสียงบวยวายของตาเท่าบุญคำฟังชัดแหลมออกมาเหนือกว่าเสียงคนอื่นคนเหล่านั้นหมุนตัวคว้างลุกลี้ลุกลนอย่างตกใจขีดสุด ยิ่งเมื่อใบหน้าปะทะขากระแสไฟฉายของระพินที่สาจ้าลงมาจากฝั่งตรงข้ามก็งุนงงโอลหมา่านจับต้นชนปลายไม่ถูกไปหมดไม่เข้าใจด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ระพินไทยวันเขาตะโกนกึกก้องประกาศออกไปให้คนเหล่านั้นได้ยินทุกคอนเพนกลับมาถึงฝั่งนี้ก่อนเร็วที่สุดปลับมา พร้อมกับคำสั่งอันดังสนั่นไปทั่วนั้นพรานใหญ่สาดไฟฉายวอบแว บ, บแล้วส่งให้หินทางแม้จะยังไม่อาจเข้าใจได้ในสิ่งแม้แม้จะยังไม่อาจเข้าใจสิ่งใดได้ในขณะนี้ทั้งหกคนของฝ่ายพรานพื้นเมืองซึ่งบัดนี้สำนึกกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองแล้วได้ยินและจำเสียงของนายได้อย่างดีที่สุดต่างพากันเพนยังไม่คิดชีวิตวิ่งตะไกยแข่งกันข้ามลาห้วย หลนลานปีนฝั่งเข้ามาหาจอมพรานอย่างตะลีตะเลึกนายก็อะไรกันขึ้นนี่แล้วนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่นายตามมาถูกได้ยังไงพวกเราหลงทางนลยนายเดินเท่าไหรก็ไม่ถึงปางสักทีเดินกลับทางเก่าไม่ถูกหาทางไม่พบทั้งหมดแ ล, ล่ําลลักชิงกันพูดเอ็ดอึงกระหืดกระหอบไปหมดจนจับสับประสันเลี่ยงใดๆไม่ได้